เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดต่อหน้า <c oughs> เนื่องในเทศกาลวันสง ก, กรานต์ญาติโยมเลยไม่ต้องไปทำงานถึงสวันด้วยกัน คือวันที่13 14าละ15ี่จึงได้ใช้เวลาว่างนี้มาวัดเพื่อมาประกอบกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำด้วยความไม่ประมาณทรงสอนให้เราเตืนตอนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของพวกเราคือสังขารร่างกายของพวกเราเป็นของที่ไม่เทียมแท้แน่นอน มีเกิดแล้วก็มีดับมีดับได้จะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จึงควรที่จะรีบทากิจที่พึงกระทํากจที่พึงกระทาคืออะไรก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ของอย่างืนเราเอาไปไม่ได้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทวิสหายบุคคลต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถเอาไปตับเราได้ทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญเราก็เอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็เอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่ สร้างบุญสร้างกุศลเวลาเราเกิดต้องไปแบบกระทันหันเราจะไม่มีอะไรติดตัวไปเราจึงควรเตรียมตัวอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นการเดินทางก็เตรียมกระเป๋าเตรียมใส่เสื้อผ้าเตรียมเงินทองเตรียมจองโรงแรมเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินพอถึงเวลาจะต้องไปก็จะไปได้อย่างสะดวกอย่างสบาย ถ้าเราไม่เตรียมตั ว, วเวลาเวลาไปนี่เสื้อผ้าก็ไม่มีเอาไปเงินทองก็ไม่มีติดตัวไปไปก็ไปแบบขอทานไปแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนที่พวกเราทํากันในวันนี้เรามาทําบุญทํากุศลแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ผูที่ไปจากโลกนี้แล้วเพราะเรายังรักยังคิดถึงเขาเรายังห่วงใยกลัวว่าเขาจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็เลยมาทําบุญอุทิศเช่นอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปแบบไหนไปแบบเศรษฐีบุญหรือไปแบบขอทานบุญะ ถ้าไปแบบขอทานบุญก็จะอาจจะมาวนเวียนอยู่แถวนี้รอรับส่วนบุญที่เราจะมุทิตไปให้กับเขาแต่ถ้าเขาไปแบบเศรษฐีบุญเขาก็จะไปแบบเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่มีความวิจิตรพิสดารสวยงามมากกว่าโลกของเราเราให้เราไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนา กี่ประเทศก็ตามก็สู้ไปเที่ยวในโลกทิพย์ไม่ได้โลกทิพย์นี้มีสิ่งที่มหาศจรร์สิ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่น่าดูน่าชมมากกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้เราจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีบุญมีกุศลติดตัวไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอย่าประมาท อารตายนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาบางคนอยู่ได้เจ็วันก็ตายก็มีบางคนก็เจดเดือนบางคนก็เจปีบางคนก็เจดส ป, บปีบางคนก็เลยเจิปีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเวลาของพวกเหล่านี้จะอยู่ได้ถึงกี่ปีกันดังนั้นทางที่ดีเราควรคิดอยู่เรื่อยๆว่า วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบมาสร้างบุญสร้างกุศลกันแทนที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายแบบไม่มีเวลาให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลทางที่ดีเราควรจะแบ่งเวลาให้เรามา สร้างบุญสร้างกุศลเท่ากับเวลาที่เราเอาไปใช้กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่ามัวแต่ไปหาลาบยศสรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสจนลืมการหาบุญกุศลเพราะเวลาที่เราต้องจากไปนี้เราจะไปอย่างกระทนหันกันหรือไปแบบที่เราจะไม่มีเวลา พอที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันนั่นเองดังนั้นทุกวันเวลาเราเตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เราดำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเช <c oughs> ่นเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพลากจากการเป็นธรรมดาถ้าเรานึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ไม่หลงไม่ลือและเราจะได้มีความตั้งใจมีความพยายามที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลึกถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเราจะลือและเราจะมาวัดเฉพาะวันสำคัญสำคัญ เช่นวันสงกรานต์วันปีใหม่วันเกิดวันมาค้าวันวิสาขะวันเข้าพรรษาถ้าเรามาวัดเพลงวันเหล่านี้มันจะไม่พอเพราะบุญกุศลที่เราได้จะน้อยแต่ถ้าเราหมั่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะมาอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะวันหยุดนี่เรามีเวลาว่าง แทนที่เราจะไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราเอาเงินทองมาซื้ออาหารมาซื้อข้าวของมาทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานยังจะดีกว่าเพราะว่าบุญที่เราทำนี้จะอยู่กับเราน่าจะไปกับเรา เป็นเหมือนทรัพย์ที่เราจะใช้ได้ในโลกทิพย์เวลาเราไปโลกทิพย์นี้เงินทองที่เรามีอยู่นี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ในโลกทิพย์นี้เขาใช้บุญกันถ้าไม่มีบุญก็ต้องเป็นขอทานถ้ามีบุญก็เหมือนกับคนมีเงินที่จะไปจองที่พักพักโรงแรมห้าดาวหกดาวกินอาหารล้านอาหารห้าดาวหกดาว ไปท่องเที่ยวระดับ 5-6 ดาวได้ถ้ามีบุญติดตัวไปถ้าไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องเป็นขอทานเพราะไม่มีบุญที่จะไปซื้อไปจาอไปจ่ายค่าที่พักไปจ่ายค่าอาหารไปจ่ายค่าท่องเที่ยวต่างๆพวกที่เป็นขอทานนี้เราเรียกว่าเปรตเปรตก็คือพวกที่เวลามีชีวิตอยู่นี้ ไม่ยอมทําบุญเสียดายเงินหัวงเงินหัวงทองแล้วเวลาหาเงินหาทองก็มักจะหาโดยวิธีทําบาปโกหกบ้างช่อโกงบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างนั่มรวยแต่ไม่ยอมทําบุญพอตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งได้ทรงเห็นแล้วจึงนําเอามา เตือนมาสอนพวกเราทรงเคยเล่าเหตุการณ์ที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลคือเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมากแต่เวลาหาเงินก็หาเงินด้วยการทำบาปแล้วได้เงินมาก็หวงไม่ยอมใช้ไม่ยอมเปล่าไปทำบุญมีเท่าไหร่ก็เอาไปฝังดินเก็บไว้หมด แม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่บอกให้รู้ไม่อยากจะให้ลูกเอาเงินทองไปใช้พอตายไปนี่กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตนเองเพราะความรักความห่วงความหวงสมบัติทำให้จานี้ไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่ใกล้สมบัติ mm hmm. ก็เลยมาเกิดเป็นหมาในท้องเกิดในท้องหมาในบ้านของตนเอง พระพุทธเจ้ า, าทรงเสด็จผ่านมาเห็นหมาตัวนี้ก็เลยรู้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปก็เลยบอกลูกๆว่าหมาตัวนี้เลี้ยงไว้ให้ดีเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของพวกเธอฝังไว้ให้ฝังเก็บไว้เพราะหมาตัวนี้ก็คือพ่อเธอในอดีตนั่นเองแล้วก็ไม่นานหมาตัวนั้นก็ไปขุดสมบัติต่างๆ ที่เศรษฐีได้ฝังเอาไว้ลกูลกๆก็เลยได้รับประโยชน์จากเงินทองของพ่อแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้า ก, ก็ทำบุญกันอย่างมากมายเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาเกิดเป็นเหมือนพ่อไม่อยากจะมาเป็นเหมือนพ่ออยากจะไปดีอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปเป็นเทวดาการที่เราจะไปเทวดาได้นี้เราต้องทำบุญ แล้วเราต้องรักษาศีลคือไม่ทาบาปถ้าทำบุญอย่างเดียวนี้ยังไปสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราต้องไปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าเรามีบุญที่เราทำบุญนี้จะช่วยให้เราไปเกิดในอบายที่สบายเช่นถ้าไปเกิดเป็นหมาก็เป็นหมาที่น่ารักคนเห็นก็เอาไปเลี้ยงดู มีคนเลี้ยงดูแต่ถ้าบุญบุญก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาตายไปอาจจะไปเกิดเป็นหมาขี้เรือนไปอยู่วัดไปอาศัยวัดอยู่ไม่มีใครอยากจะเอาไปเลี้ยงแต่ถ้าทําบุญนี้อนิสงค์ของบุญนี้จะทําให้เวลาไปเกิดเป็นเดชะฉานมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเป็นนกก็นกที่สวยงามเป็นหมาก็เป็นหมาที่สวยงาม เป็นแมวก็เป็นแมวที่สวยงามเป็นปลาก็เป็นปลาที่สวยงามก็มีแต่คนอยากจะเอาไปเลี้ยงดูไม่มีใครอยากจะเอาไปฆ่าแกงนี่คือถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่ทำบาปถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลยังไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ น, นี้ต้องทำบุญและรักษาศีลด้วยต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพโุรายามาแล้วทำบุญให้มากมาเพราะยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปสวรรค์ก็เหมือนโรงแรมชั้นต่างๆโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวสวรรค์ น, นี้ก็มีแบ่งเป็นชั้นๆอยู่ที่ว่าทำบุญมากทำบุญน้อยเหมือนกับเราไปพักโรงแรมมีเงินน้อยก็ต้องพักโรงแรมหนึ่งดาว มีมากหน่อยก็พักสองดาวมีมากๆ ก, ก็พักห้าดาวได้อยู่ที่กําลังของเงินทองที่เรามีอยู่ชั้นใดเวลาไปเกิดในสวรรค์เราจะเกิดชั้นไหนก็อยู่ที่บุญที่เราได้ทําไว้ว่าเราทํามากน้อยเพียงไรดังนั้นขอให้เราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด บอดเพราะอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นใจของเราเราไม่เห็นตัวเราที่จะไปเกิดที่จะไปอบายหรือจะไปสวรรค์เพราะตัวเรานี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเพียงคนใช้คนรับใช้เราเรามีร่างกายนี้มารับใช้เราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายนี้ไปทําอะไรต่างๆ เช่นวันนี้เรามาวัดเราก็สั่งให้ร่างกายพาพาเรามาวัดถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถมาวัดได้เวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์จะอยู่ในโลกทิพย์ที่สูงหรือโลกทิพย์ที่ต่ำํำถ้าไม่มีบุญก็อยู่โลกทิพย์ที่ต่ําเช่นอยู่แบบอยู่ในนรกอยู่เป็นเปรตเป็นผีแต่ถ้า มีบุญก็จะอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาชั้นต่างๆอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเพราะพระองค์ทรงมีณดวงตาเห็นธรรมตาในของท่านนี้สว่างตาในของท่านลื ม, ลมขึ้นมาตาของพวกเราตาในตอนนี้ถูกความหลงปิดไว้อยู่เหมือนเอาผ้ามาปิดตาเราถ้าเราผ้ามาปิดตาเราจะมองไม่เห็นอะไร ฉันใดตอนนี้ตาในของพวกเราคือตาทิพย์ของพวกเรานี้ถูกโมหะอวิชชาความหลงความมืดบอดปิดตาของเราเราจึงไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์เราไม่เห็นอบายเราไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เห็นพระนิพพานกันเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงเอาโมหะอวิชชา ที่ปิดบางตาของท่านออกด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชการออกบวชนี้ก็เพื่อไปเปิดตาในเปิดตาทิ่ที่ถูกความมืดบอดคือโมหะอวิชชาครอบงมอยู่วิธีที่จะเปิดตาในก็ต้องปฏิบัติธรรมคือนั่มสมาธิเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้เป็นการเบิกตาในเปิดตาในให้เกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่เขาทำพิธีเบิกพระเนตรของพระพุทธรูปต่างๆพิธีนั้นไม่สามารถเบิกพระเนตรของพระพุทธรูปได้เพราะพระพุทธรูปไม่มีดวงตาดวงตานี้เป็นเพียงของที่เขาฟั้นขึ้นมาเท่านั้นเองมองไม่เห็นอะไรไปเปิดก็มองไม่เห็น ไม่เปิ thing, ดก็มองไม่เห็นพระพุทธรูปมองอะไรไม่เห็นเพราะพระพุทธรูปไม่มีชีวิตไม่มีตาเหมือนพวกเราจึงมองอะไรไม่เห็นพวกเรามีสองตาตานอกกับตาในาตอนนี้เราเห็นแต่ตานอกแต่ตาในาเรามองไม่เห็นเราจึงมองไม่เห็นจิตใจของพวกเรามองไม่เห็นดวงวิญญาณของพวกเราหรือดวงวิญญาณของผู้อื่นพระพุทธเจ้านี่เห็น เวลาใคยตายไปดวงวิญญาณออกจากลากไปพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าดวงวิญญาณดวงนี้กําลังจะไปไหนไปนรกไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นไหนนี่ท่านเห็นหมดเพราะท่านไม่มีไม่มีความมืดบอดปิดบางตาของท่านนั่นเองพวกเราถ้าอยากจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นพวกเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ คือให้เราพยายามนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบพอใจสงบเราก็จะมีตาในสว่างขึ้นมาเราจะเห็นใจของเราเราจะเห็นใจของผู้อื่นเราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์แล้วเราจะได้รู้ว่าการทำให้ใจเราเป็นสวรรค์เป็นอย่างไรการที่ทำให้ใจของเราเป็นนรกเป็นอย่างไร เหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์ก็คือการทำบุญนี่เองเหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นนรกก็คือการทำบาปเหตุที่ทำให้ใจของเรายังต้องใบเวียนว่าตายเกิดก็คือความอยากคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่หยุด เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่ชาตินี้พอเราแก่ไปเจ็บไปเราตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกยัตธรอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงก็คือต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาต้องฟังเทศฟังธรรม แล้วเราจะรู้จักวิธีที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงได้พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็จะไปอยู่ในนิพพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ที่มีแต่ความสุขที่ที่ไม่มีความทุกข์ นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันเราปรารถนาจะมีความสุขไม่ปรารถนาที่จะมีความทุกข์แต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เราได้มีความสุขไม่มีความทุกข์เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรฟังสอนคำสอนอยู่เรื่อย พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราม า, าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อเราจะได้มาศึกษามาฟังวิธีการที่เราจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจของพวกเราถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาเราจะไม่รู้จากวิธีเราก็จะ ไม่สามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของพวกเราได้เพอะเราไม่สามารถกำจัดเราก็ยังจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมีใครอยากจะแก่บ้างมีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีใครอยากจะตายบ้างไม่มีใครอยากแต่ทำไงถึงต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะไม่รู้จักวิธี หยุดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้วิธีหยุดความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีใครรู้วิธีหยุดการเวรไหวาตายเกิดได้แต่พวกเราถือว่าชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอคาสอน ที่จะบอกวิธีให้พวกเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจของพวกเราเพวกเราจึงควรที่จะขวนขวายเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันฟักมันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเพราะเราจะได้มีความรู้ที่เราจะได้นำเอาอไปใช้ ในการทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือการเข้าวัดเข้าวัดเพื่อมาศึกษาศึกษาแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติเอาไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพื่อเราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ด้าจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ่งสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันหยุดช่วงเทศกาลสงการนี้ให้ท่านได้นำมาเพียรพิพพจารณาและปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเพื่อความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยละบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญแข็งแกลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายท่างหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากันเธอ